มีคำสองคำที่เราควรทาความเข้าใจแล้วก็รู้จักให้ดีเป็นคำ ง, ง่ายๆที่เราคุนแต่ จ, จะไม่ค่อยไต่ตรองหรือว่าทำให้เกิดขึ้นกับตัวเองเท่าไหร่ก็คือคำว่าลืมกับหลงสองคำนี้เราได้ยินมาตั้งแต่เล็ก แต่ก็ว่าไม่ค่อยได้เห็นว่ามันสําคัญอย่างไรลืมก็หลงนี่เหมือนกับฝาแฝดเลยเช็นท่านเราลืมเส้นทางจำไม่ได้ว่าเลี้ยวตรงไหนก็หลงทางหลงเนี่ยคือ หลงทางหรือว่าทำอะไรไม่ถูกต้องไม่สำเร็จประโยชน์ที่มุ่งหมายนอกจากลืมสิ่งนอกตัวแล้วนยะลืมลืมตัวก็ทำให้หลงได้เช่นเราลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ เราก็หลงเข้าไปในความคิดแล้วพอหลงเข้าไปในความคิดเนี่ยถ้ามันเป็นอารมณ์เป็นความโกรธเป็นความเสียใจใเป็นควา ม, มน้อยเนื้อต่าใจก็ทำให้ลืมตัวได้อันนี้หลงก็ทำให้ลืมนะลืมก็ทำให้หลง และในเวลาเดียวกันลงก็ทําให้ลืมถ้ะลองสังเกตดูเวลาเราล้างจานเราต้องวางจานวางชามวางช้อนวางซ่อมเป็นที่แต่ในขณะที่เราล้างชามอยู่เราเกิดลืม ลืมตัวลืมไปว่ากาลังท า, งากาลังล้างจานอยู่ใจเราก็ลอยอาจจะคิดถึงงานการหรือคิดถึงคนที่เราห่วงกังวลคิดถึงหนี้สินเสร็จ แ, แล้วเราก็เลยวางจานวางชามวางช้อนไม่เป็นที่อันนี้ก็หลงแล้วนะทำอะไรไม่ถูกต้อง หลงนี่ไม่แปลว่าหลงทางอย่างเดียวแต่ว่าทําผิดผิดถูกๆ ก, ก็หลงแต่พอรมีสติรู้ว่าเผลอไปรู้ว่าฟุ้งไปเราก็เกิดความรู้ตัวขึ้นมาพอรู้ตัวแล้วเราก็ทําอะไรได้ถูกต้องวางจานวางชามวางช้อนได้เป็นที่เป็นระเบียบ คนเราแต่ละวันแต่ละวันก็อยู่กับความลืมกับหลงลืมแล้วก็หลงเสร็จแล้วหลงแล้วก็ลืมนะนะการปฏิบัติลองสังเกตดูมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเราอก จ, จะไม่ลืมสิ่งนอกตัวแต่เราลืมตัวเป็นประจำลืมเมืกํากลังเดิน จงกลมลืมว่ากำลังสร้างจังหวะแล้วก็เผลอไปคิดเรื่องงานเรื่องการวิตกกังวลนะตอนนั้นเรียกว่าหลงเข้าไปในความคิดละหลงเข้าไปในอารมณ์ละนะแต่ว่าถ้าเกิดความคิดหรืออารมณ์นั้นไม่รุนแรงนะเราก็สามารถจะ ล้วลึกได้ไวกลับมารุ้ตัวแต่ถ้าอารมณ์มารุนแรงก็อาจจะระเบิดออกไปมีเสียงดังหงุดหงิดลำคาญก็บ่นออกมาดังๆหรือเพื่อนข้างห้องกลางคืนแล้วเขายัง ไม่นอนเขาส่งเสียงดังเรากำลังปฏิบัติเราต้องการความสงบแต่เสียงข้างห้องก็ยังพูดคุยกันหรือทำอะไรเสียงดังเราโมโหเราก็า จ, จะทุบข้างฝาหรือว่าอาจจะลุกขึ้นไปไปต่อว่าเขาหน้าห้อง มีบางท่านเนี่ยท่านปฏิบัติหลวงพ่อก็เห็นน่าเคยไลฟฟังเห็นหลวงตาท่านปฏิบัติัว เ, นะ เ, เอาจริงเอาจังมากก็ต้องการความสงบแต่ว่าจิตเนี่ยมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลายิงห้ามมันก็ยิงเหมือนกับยิงจุนะมันก็ยิงฟุ้งขื้อไปใหญ่ก็เล็งก่นอนหงิ งุนี้ก็ยิ่งทำให้การปฏิบัตินี่มันไม่เป็นผลก็ยิ่งฟุ้งยิ่งเครียดเข้าไปสุดท้ายก็มาเห็นอีกทีเห็นก็เห็นท่านเอารองเท้าแตะฟาดหัวทำไมมันคิดมากเหลือเกินนอ้อทำไมมันคิดมากเหลือเกินนอ้ออันนี้เราลืมตัว ลืมตัวเพราะอะไรเพราะหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์หลงเข้าไปในความหงุดหงิดแล้วก็เลยผิดหวังแล้วโกรธทั้งโกรธตัวเองทั้งโกรธในความคิดจิตใจที่มันไม่ยอมหยุดฟุง้งซ่านสักทีพอหลงเข้าไปแล้วก็ลืมลืมตัวแล้วลองสังเกตดู ลืมกับหลงแล้วก็หลงกับลืมนี่มันเป็นฝาแฝกกันเลยไม่รู้ใครเป็นพี่ใครเป็นน้อง้การปฏิบัติของเราคือหลุดออกจากวัฏจักรแบบ น, นี้ไม่ลืมแล้วก็ไม่หลงหรือว่าลืมน้อยลงหลงน้อยลงอะไรที่ทําให้เราหลุดจากวัฏจักรลืมหลงนี้ได้นะ ก็คือสติกับสัมปชัญญะนะสติแปล ง, ง่ายๆว่าไม่ลืมนะสัมปชัญญะแปล ง, ง่ายๆว่าไม่หลงสติคือความระลึกได้สัมปชัญญงงะญญคือความรู้ตัวเมื่อระลึกได้ก็รู้ตัวระลึกได้เผลอไประลึกได้ว่าโกรธ หรือจำความโกรธได้จำความหลงได้ก็จิตที่ฟุ้งซ่านที่หลุดเข้าไปในความคิดก็ถอยกลับมาหลุดกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับสิ่งที่ทำความรู้ตัวก็เกิดขึ้นทำสิ่งต่างๆ่าที่ถูกต้องเช่นล้างจานแล้วเผลอคิดไปนลึกรได้ว่ากาลังล้างจานอยู่ แล้วก็รู้วม่อกี้เผลอไปจิตก็หลุดมาจากความฟุ้งซ่านกลับมาอยู่กับงานที่ทำก็รู้ว่าจะวางจานวางชามวางช้อนไว้ที่ไหนนั่นนี่แหละเกิดจากความรู้ตั ว, <c oughs> วสติสกับสัมปชัญญะ น, นี่ก็ฝาแฝดเหมือนกันนะเป็นตัวที่จะทำให้เราหลุดจาก วงจอดูบาลืมหลงหลงลืม ล, ล, ล, ลืมหลงหลงลืมมาเป็นความระลึกได้ความรู้ตัวหรือไม่ลืมไมห่หลงแต่บางทีเราก็เรียกลมรวมไปนะเพราะว่าสติคือความระลึกได้และความรู้ตัวเรียกลมกันไปบางทีจะเอ่ยแต่คำว่าสติเฉยเฉยก็ให้เข้าใจว่า ในบางกรณีก็รวมไปถึงสัชปปชัญญาด้วยสัพปปชัญญานี่ตามตำราก็ว่าเวลาเรายืนเดินนั่งนอนก็รู้เวลาคู่เหยียดเคลื่อนไหวเดินหน้าถอยหลังหลับตาลืมตานะก็รู้ อันนี้เราก็เรียกว่ารู้รู้ตัวแต่ส่วนใหญ่เป็นการรู้กายนะรู้กายแต่เมื่อรู้กายแล้วต่อไปก็จะรู้ใจได้รู้ว่าฟุ้งรู้ว่าเผลอรู้ว่าโกรธนะรู้ว่าน้อยใจก็รู้นะอันนี้ก็เรียกรวมๆ ว, ว่าเป็นเป็นเรื่องเป็นงานของสติ แ ต, แต่ปฏิบัติใหม่ๆอย่าเพิ่งไปแยกแยะเลยนะเรื่องรู้กายรู้ใจหรือว่าจะไปคิดจะให้รู้ใจได้ไวๆให้รู้กายก่อน <c oughs> หลักการจลนสติข้อแรกเนี่ยที่ง่ายๆเลยก็คือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะตัวอยู่นี่ถ้าใจไปอยู่โน่นก็คือไม่มีสติเ <c oughs> มื่อไม่มีสติ ก็ไม่รู้ตัวหรือว่าตัวอยู่นี่แต่ว่าใจนี่หลุดเข้าไปในอารมณ์หรือเข้าไปในความง่วงอสับปงกหรือตัวเองก็ไม่รู้ตัวคนที่ง่วงซึมหรือเข้าไปในความง่วง นะสับประ ก, ก็ไม่รู้ตัวเองตัวเองก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เลยว่าไม่รู้ตัวก็หลงนั่นแหละจะมีสติส ต, ตื่นขึ้นมาอ่ารู้แล้วว่าเมื่อกี้เผลอไ ป, ไปก็นั่งในท่าที่ปกติล้วนะเราลองลองดูนะเราปฏิบัตนะิให้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น วิธีการก็ให้ใจนีให้ใจนี้รับรู้กายรับรู้กายที่กำลังทำงานกำลังเคลื่อนไหวแต่ถ้าทำยังไม่เป็นนี่ก็จะไปเพ่งนะไปเพ่งเป็นจุดๆไม่ได้รู้สึกว่าให้รู้ทั้งตัวนักปฏิบัติมันพอไม่อยากให้จิตเนี่ยมัน มันเผลอไปมันฟุ้งก็จะไปพยายามบังคับจิตก็โดยการบังคับให้จิตเนี่ยมันอยู่กับหรือมันจดจ่ออยู่กับอวัยวะบางส่วนเช่นมือที่กำลังเคลื่อนหรือที่เท้าบังคับให้มันจดจ่ออยู่ตรงนั้นอันนั้นยังไม่ไม่ใช่วิธีที่ถูกนะเพราะว่ามันจะไม่ทำให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อม ความรู้ตัวนี้ต้องทั่วพร้อมนะถึงจะเป็นสัพชัญญะถ้ารู้เป็นจุดๆเนี่ยมันยังไม่ใช่เพราะว่าพอไปเพ่งตรงนั้นแล้วเนี่ยอส่วนหนึ่งก็ไม่รู้และแล้วก็อาจจะลวมไปถึงว่าทำให้ทำงานทำการไม่ถูกต้องแม้แต่งานพื้นๆเพราะขาดความรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเอง ตอนที่มาไปปฏิบัติที่วัสนามในใหม่ๆเนี่ยเราก็ชันกันเป็นการลำมังเมื่อมันกับที่เราฉันที่เนียนะพอพระชันเสร็จก็ลุกไปเอาขยะไปทิ้งที่ข้างศาลาลงชันก็จะมีหลุมขย ะ, ะทั้งพระก็ทั้งโยมก็จะไปเอาเศษอาหารเนี่ยไปทิ้งที่หลุมขยะนั่นแหละ แลนมาก็เดินไปที่หลุมนั้นตอนนั้นยังทำให้เป็นก็จะไปเพ่งที่เท้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวที่เคลื่อนขยับพอไปถึงหลุมก็กเทนะก็โยนพว ก, พวกเศษอาหารลงไปในหลุมบอกว่าช้อนซ่อม ในกระมังก็ลอยไปด้วยนะลอยเข้าไปในหลุมด้วยก็กลายเป็นว่าต้องไปเก็บต้องไปเข้าไปในหลุมแล้วไปเก็บเอาช้อนเอาซ่อมมาคือลืมไปว่าในกละมังเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เศษอาหารอย่างเดียวมันมีช้อนมีซ่อมด้วยอันนี้เป็นเพราะว่าไปเพ่งเน่ไปเพ่งที่เท้ามันก็เลยไม่รู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเราไม่เพ่งก็จะรู้ว่า กะละมังที่ถือเนี่ยมันมีช้อมีมซ่อมด้วยไม่ใช่มีแค่เศษอาหารอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะเวียนกะละมังหรือว่าจะโยนมันก็ทําทำไม่ได้มันต้องค่อยๆเนะขี่ยเอาเศษอาหาร อ, ออกมาก่อนคือมีทักปฏิบัติคนหนึงเขาไลฟฟังล้วจะแต่งตัวไปทำงานนะเขาก็ปฏิบัติมา ้ก็พยายามมีสติ ก, กับการแต่งตัวเริ่มตั้งแต่ใส่เสื้อนะใส่เสื้อก็พยายามตอนที่เอามือสอดเข้าไปในแขนเสื้อก็กเพ่งนะระหว่างที่เอามือสอดเข้าไปในแขนเสื้อ ท, ทีละข้างทีละข้างแล้วก็กัดกระดุมก็เพ่งจดจ่อยอยู่ตรงกระดุมเสร็จแล้วใส่สวม กางเกงนะก็ค่อยๆเอามือเอาเอาเท้าสอดเข้าไปในขากางเกงทีละข้างทีละข้างเสร็จแล้วก็ค่อยๆใส่รองเท้าก็สวมถุงเท้าแต่ละแต่ละแต่ละขนาก็จดจ่อสวมรองเท้าสวมถุงเท้าสวมรองเท้าซ้ายขวาเสร็จแล้วก็ไปทํางาน ไปทำงานก็สังเกตว่ามีคนเฝ้ามองตัวเองดูตัวเองแวบบมองตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วก็เลยมีเพื่อนมาบอกว่าเขาลืมรูดซิปนะนี่นี่เพราเขาไปเพ่งไปจดจ่อที่รายละเอียดมากนะจนลืมภาพรวม ก็คือไม่รู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเองเไม่ต้องทำขนาดนั้นเวลาเราสวมเสื้อแต่งตัวเนี่ยไม่ต้องจดจ่อขนาดนั้นนะแต่วถ้าเราไม่จดจ่อก็คือว่าเราให้เกิดความรู้ตัวรวมๆเนี่ยแล้วก็คงไม่ลืมรูดซิปนะ <c oughs> <c oughs> การไปจดจ่ออยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันทำให้เราไม่เห็นภาพรวมแล้วก็ไม่สามารถที่จะเห็นความจริง แม้แต่พื้นพื้นได้ถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยก็จะเห็นความจริงรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองไม่ใช่เฉพาะรู้ในเท่านั้นรู้นอกด้วยนะรู้ในหมาถึงรู้อารมณ์ความคิดนะรู้นอกคือรูอ้เรื่องการทำงานต่างๆก็ทำให้ถูก ความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่สำคัญเมื่อเรารู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทางานทําการกต่างๆได้ถูกต้องแต่ถ้าเราไปเพ่งหรือไปจมอยู่ในอารมณ์อันนี้ก็จะทาให้ผิดพลาดได้เพ่งอยู่เพ่งอยู่กับเพ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเพ่งที่ กายหรือเพ่งที่ใจก็ไม่ถูกเผลอปล่อยใจไปตามอารมณ์ก็ไม่ถูกต้องอยู่กลางกลางมีสติรู้ตัวแล้วพอรู้ตัวเนี่ยจิตมันจะว่างนะมันจะว่างคือไม่จมอยู่ในอารมณ์จิตจะโล่งจะโปรง่งแล้วก็สามารถที่จะรับรู้ความจริงได้ เวลาเราจมอยู่ในความคิดนะ่ะบางทีเสียงเสริมอะไรที่อยู่ข้างนอกก็ไม่ได้ยินนะเดินจงกรมจะจมอยู่กับความคิดกังวลเรื่องงานก็ไม่ได้ยินเสียงจั ก, กรจั่นจิ้งหีดทั้งๆ ท, ที่มันดังระงมเป็นตลอดเวลาก็ไม่ได้ยิน เคยถามคนเดินจงกรมว่าได้ยินเสียงจิ้งหรีดไหมเดินนองสี่สิบห้านาทีไม่ต่อหลายคนบอกไม่ได้ยินเพราะอะไรเพราะใจมันจมอยู่กับความคิดดังนี้เราใจไม่ว่างพอใจไม่ว่างนี่ก็ไม่สามารถจะรับรู้ความจริงแม้แต่ความจริงพื้นนได้เคยมีคนทดลองก็ไม่ใช่ทดลองนะเขาก็ทำอย่างจริงแหละมีนักดนตรีคนหนึ่งเคยไป จะเป็นนักไวโอลินก็ไปสีไวโอลินอยู่ที่สถานีรถไฟที่วอชิงตันเมืองหลวงของอเมริกาสถานีนี้ก็มีคนไปทํางานแน่นมากทุกเช้านี่ก็จะมีคนเป็นพันใช้บริการสถานีนี้ไม่ใช่เป็นพันเป็นหมื่นนะใช้บริการที่สถานีนี้นายดนตรีคนนี้ก็ไปสีไวโอลิน เขสียเวลงอยู่ประมาณสี่สิบห้านาทีแล้วคนส่วนใหญ่ก็เดินผ่านมีคนหยุดฟังบ้างก็เป็นเด็กเด็กสีห้าขวบฟังก็หยุดแต่แม่ก็ดึงตัวไปมีบางคนก็หยุดฟังนิดหน่อยแล้วก็เดินผ่านไปมีบางคนก็ให้ให้เงินบ้างคือ มันก็มีคนทำมาหากินวิธีนี้คือว่าเสีดนตรีเล่นดนตรีให้ฟังแล้วก็ใครชอบก็โยนเงิ น, นทํานองเป็นมั น, นิพกนะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่น่าลังเกียจมีคนแบบนี้เยอะก็มีคนโยนเศษตังค์ให้บ้างเขาสีไปประมาณสี่สิห้านาทีเล่นเพลงประมาณหกเจ็ดเพลงบกว่ามีคนหยุดฟังไม่ถึงสิบคนมั้ง คนที่โยนเงินให้ก็มีไม่มากรวมแล้วก็ได้เงินประมาณสักยี่สิบสาสิบเหรียญก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่า น, น้อยนะเมื่อเทียบคนที่เดินทางเดินเดินผ่านก็คนนั้นเป็นหมื่นนะและะ้วปกกว่าคนคนนั้นเนี่ยที่เป็นนักแวลลินเป็นนักเวลลินชื่อดังระดับโลกชื่อโยชัวเบล ดังมากแล้วก็ไวโอลินที่เขาสีเนี่ยราคาประมาณตั้งสามสี่ล้านเป็นไวเอลินที่แพงมากอาอยุเกือบสองร้อยปีแล้วและเพลงที่เขาบรรเลงไปก็เป็นเพลงที่เพราะมากของบาร์บบาร์บนี่ถือว่าเป็นนักดนตรีนักนักแต่งเพลงที่เพราะคลาสสิกมากก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปไปเปิดแสดงสดที่นิวยอร์กตัวเนี่ยขายเป็นร้อย ตัวเข้าชมนะเป็นร้อยเหรียญคนซื้อหมดนะแน่นน่นนั่นทั้งโลงเลยเพราะว่าคนอยากจะฟังโยชัวเบลบรรเลงแต่ว่าพอมาบรรเลงในสถานีรถไฟคนไม่สนใจเลยเพลงเพราะแค่ไหนเขาก็ไม่รับรู้มันไม่สามารถจะเข้าไปสัมผัสจิตใจของผู้คน เหล่านี้ได้เพราะอะไรเพราะใจเขาไม่ว่างใจเขากำลังคุ้นคิดคนที่ไปสถานีรถไฟก็ล้วนแต่เร่งรีบใจก็ฟุ้งลอยหรือไม่ก็ค่คุ้นคิดอยู่กับงานกับการอันนี้รถใจไม่ว่างพอใจไม่ว่างก็ไม่สามารถจะรับรู้เพลงที่ไพเราะได้ทั้งทั้ ง, ท, งที่นักดนตรีระดับโลกนี่มาบรรเลงฟรีๆให้ คนที่เดินผ่านเย่อชวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีสตินะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันถ้าพราะที่อยู่กับปัจจุบันก็จะรับรู้สามารถรับรู้ความจริงรับรู้ความงามได้รับรู้ความไพเราะได้านบอยครั้งเนี่ยความคิดที่มันที่เราการคุ้นคิดเนี่ยมันทำให้จิตเราไม่ว่างนะไม่เห็นความจริงไม่รับรู้ความจริงอย่างรอบด้าน แม่แต่บางทีงเรื่องพื้นพื้นนะก็ก็กมองไม่เห็นเรื่องง่ายๆก็มองไม่เห็นมีคราวหนึ่งอันนี้เป็นาศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาคนไล่ฟัง่งก็เป็นคนมีชื่อมากวันหนึ่งเขาก็ได้รับชวนจากเพื่อนให้ไปดูวิดีโอคลิปเป็นวิดีโอคลิปเกี่ยวกับ คน6คนเนี่ยกำลังเล่นบาสเกตบอลก่อนที่จะใายเพื่อนที่ชวนอาจารย์คนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวให้ลองนับดูนะว่าเขาโยนลูกบาสเกตบอลกี่ครั้งคนที่ไปดูคลิปวิดีโอคลิปเนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่คนเดียวมีหลายคนมีประมาณสัก20คนได้ทุกคนก็ได้คำได้โจทย์เดียวกันคือว่าให้นับดูว่าคนในภาพเนี่ยเขาโยน บาสเกตบอลกี่ครั้งโยนกลับไปกลับมากี่ครั้งเสร็จ แ, แล้วก็เปิดให้ดูก็มีคนหกคนโยนบาสเกตบอลมีลูกเดียวนะโยนกลับไปโยนกันมาพอโยนเสร็จก็เปลี่ยนตำแหน่งสลับตำแหน่งกันโยนสลับตำแหน่งวิดีโอคลิปนี้ไม่ถึงนาทีนะพอดูพอฉายเสร็จนะทุกคนก็มีคำตอบอยู่ใน ใ, นใจแล้วว่า คนในภาพนิยนบาสเกตบอลโยนทั้งหมดกี่ครั้งแต่ปรากฏว่าพอฉายวิดีโอจบคนที่ชวนให้มาดูวิดีโอเนี่ยเขาไม่ได้ถามว่าตกลงแล้วเนี่ยโยนคนในภาพโยนกี่ครั้งโยนบาสเกตบอลกี่ครั้งแต่เขาถามว่าเมื่อกี้เนี่ยมีใครเห็นกอริลลาตัวสีดําเดินเข้ามาในวงบ้าง ทั้งหมดเนี่ยเกือบครึ่งเนี่ยงงไปเลยนะมีไม่กี่คนที่บอกว่าเห็นกว่าครึ่งรวมทั้งศาสตราจารย์คนที่ว่าเนี่เขางงเลยบอกว่าไอหมีเดือบบาสเกตบอลไอหมีเดือบ์กอริลลาคนงงมากเลยเสร็จ แ, แล้วก็เลยพิสูจน์ให้ดูก็เลยฉายวิดีโอคลิปซ้ำอีกครั้งหนึ่งบอกกว่าระหว่างที่ คนในภาพนี้ก็โยนบาสเกตบอลเนี่ยมันจะมีผู้ชายแต่งตัวเป็นกอริลลาใส่ชุดดำเดินเข้ามาในวงกลางวงแล้วก็ยืนอยู่หน้ากล้องนะแล้วก็ทำท่าตบตบอกนะประมาณยี่สิบวินาทีวิดีโอคลิปทั้งหมดนี่ประมาณนาทีหนึ่งนะ แต่ว่ากอริลลานี่มาแสดงตัวอยู่กลางวงยี่สิบวินาทีบอกกัว่าคนดูกว่าครึ่งมองไม่เห็นกอลิลลาถามว่าทําไมมองไม่เห็นก็พราะไปจดจ่ออยู่กับการนับไปจดจ่ออยู่กับไอบ้บาสเกตบอละจดจ่ออยู่กับบาสเกตบอลที่มันโยนกันไปโยนกันมาก็เลยไม่เห็นภาพรวม นาะยกอริลลานี่มาพออยู่กลางวงมองไม่เห็นเพราะไปจดจ่ออยู่กับรายละเอียดไปจดจ่ออยู่กับบาสเกตบอลอันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยนะนะว่าคนเรานี่พอเราจะไปจดจ่ออยู่กับอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เห็นความจริงอย่างรอบด้านในตอนนีนการเวลาเราปฏิบัติเนี่ย้เราจดจ่ออยู่กับมือกับเท้าเนี่ยไปจดจ่ออยู่รายละเอียดเนี่ยมันก็จะไม่เกิด การรับรู้หรือความรู้ตัวทั่วพร้อมได้แล้วความรู้ตัวทั่วพร้อมมันสำคัญยังไงมันสาคัญก็เพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่เพียงแต่ทำงานทำการได้อย่างถูกต้องไม่หลงไม่ลืมเท่านั้นแต่ว่ามันยังทำให้เราสามารถจะรู้ทันอารมณ์และไม่ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงา ถ้าคนเราทุกเนี่ยเพราะความหลงความลืมมันทุกเพราะลืมตัวก็ไปจมอยู่ในอารมณ์จมอยู่ในอดีตบ้างจมอยู่ในอนาคตบ้างโกรธยังไม่รู้ว่าโกรธเลยนะทั้งที่มันเผาหลอน จ, จิตใจแล้วเราก็ปล่อยความโกรธเนี่ยมันเผาใจเป็นวันเป็นคืนแต่ถ้าเรารู้ตัวเนี่ยที่ไม่ใช่แค่รู้กายแต่รู้ใจด้วย ก็จะหลุดก็จะถอนจากอารมณ์นั้นได้จิตใจก็จะโปรง่งแต่ถ้าไม่รู้ตัวลืมตัวก็จมอยู่ในอารมณ์นั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆแต่ว่าพอเกิดความไม่พอใจขึ้นก็สามารถจัดถลำจมเข้าไปในความความทุกข์นั้นได้บางคนก็หนักถึงขั้นว่านอนไม่เพีงยงนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะ แต่ว่าถึงกับเป็นโรคมีความดันขึ้นปวดหัวปวดท้องแต่บางคนหนักกนนั้นลืมตัวจกนกระทั่งคิดฆ่าตัวตายอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้หรือว่าเพื่อนล้อว่ามีสิวจมอยู่วบสิวไม่กินเม็ดจกนกระทั่งรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ เห็นใครใครก็ก็นึนกว่าเขามองเราที่มีสิวนะจมอยู่กับอารมณ์พวกนี้จนกระทั่งลื่มตัวแลวทำลายตัวเองแล้วคนเราถ้าเพียงแต่เรารู้ตัวขึ้นมาอารมณ์พวกนี้ก็จะทำลไรจิตใจเราไม่ได้นอกจากเราจะสามารถที่จะ ปิดกั้นไม่ให้ความทุกข์เข้ามาครองใจแล้วเนี่ยการรับรู้ความสุขก็รับรู้ได้ง่ายแล้วคนที่รู้ตัวในขณะที่เดินเข้าไปในสถานีรถไฟไในกรุงวอชิงตันอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าเขาเท่ารู้ตัวใจเขาโปร่งโล่งก็จะเขาก็จะรับฟังเสียงเพลงที่ไพเราะนั้นได้เหมือนก็เด็กเนี่ยเด็กตัวเล็ ก, ลกๆหลายคนเนี่ยเขาจับได้ เด็กที่เดินผ่านนักเล่นวาเลงคนนี้เนี่ยก็จะหยุดแต่แม่จะไม่ยอมให้หยุดแม่จะดึงไปเพราะว่าต้องรีบเด็กนี้ก็ไม่มีอะไรคิดมากก็ฟังเสียงเพลงเพราะเขาก็รู้ได้ว่าเพราะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจมอยู่ในความคิดอยู่ในความเร่งรีบเพลงที่พอก็เลยฟังไม่ได้ยินเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเวลาเราเครียดเนี่ยกินอาหารก็ไม่อร่อยฟังเพลงก็ไม่เพราะ ใจมันไม่เปิดรับความสุขที่อยู่ตอนหน้าเลยบางทีเราไปวิ่งหาความสุขถ้าเร น, นี่ความสุขอยู่ตอนหน้านะแต่ว่าก็ไม่สามารถรับรู้ความสุขได้เพราะใจไม่ว่างใจไปจมอยู่ในความคิดในอารมณ์แค่ของเราเพียงแต่ว่าเราเปิดใจให้ว่างเพราะเรารู้ตัวอยู่เสมอ เราก็จะสามารถรับรู้ความสุขที่มีอยู่ตลอดเวลาเห็นดอกไม้ก็เห็นว่างามนะฟังเสียงเพลงก็เพราะเสียงนกร้องก็เออเพราะไม่ต้องไปหาความสุขไกลตัวเพียงแต่เราทำใจให้ว่างและเราว่างได้เพราะเรารู้ตัวทั่วพร้อมไม่ปล่อยให้กิเลสหรือความทุกข์ครอบงาไม่ปล่อยให้ใจหมกบุญอยู่ความคิดคิดถึงงานการคิดถึงนอนคิดถึงนี่ ให้เราปฏิบัติเนียถ้าใจเราอยากจะให้สงบไวๆอันนั้นใจเราไม่ว่างนะมันเต็มไปด้วยความคิดเต็มไปด้วยความอยากให้วางความอยากซะทําเล่นๆไปเมื่อวางความอยากจิตเราว่างเราก็จะเห็นรับรู้ถึงความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมาเกิดขึ้นมันก็มาเองแล้วการปฏิบัติของเราก็จะง่าย จะไม่จบอยู่ในความทุกข์จะโปร่งโล่งเบาสบายเจออะไรก็รับรู้รู้แล้วก็วางแนะม้แต่ความสุขก็รับรู้แต่ก็วางเสียงนกไพ่เละเสียงเพลงได้ยินจากหมู่บ้านเอ อ, อาจจะเคลิ้มเส็ยแล้วรารู้แล้วก็วางจิตใจก็โปร่งโล่งเพื่อที่จะรับรู้สิ่งต่างๆเข้ามาแต่ละขณะแต่ละขณะ อะแล้วก็แนะนำไว้เท่านี้นะชาตนี้ก็เท่านี้กลับกปพร้อมกัน